พระยาสุรินทร์วงเล็บม่วงเจ้าเมืองสุรินทร์ผู้ชักชวนให้คุณตาของท่านสร้างบ้านสร้างเรือนเป็นบ้านปราสาทขึ้นมาได้ถึงแ ก, ก, รรรรงก่อนิจจกรรมกรมมรุงพิชิตปรีชากนห้าหลวงใหญ่ทรงแต่งสร้างพระพิชัยนรงพักดีวงเล็บบุญนาค น้องชายพยากรินม่วงดำรงตำแหน่ง แ, แทนเป็นเจ้าเมืองลำดับที่หกตอนที่หลวงปู่ยีหมายถึงหลวงปู่ดุลอตุโลนะครับตอนที่หลวงปู่อายุประมาณหกขวบในช่วงนี้เกิดเหตุการณ์ตื่นเต้นสำคัญคือเกิด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 เพื่อต่อต้านการลุกรานของฝรั่งเศสแต่แล้วหลังจากการประทากันเพียงเล็กน้อยก็ตกลงทำสัญญาสงบศึกกันหลังจากเตร็กรณีพิาพาทไม่นานพระพิชัยนรงพักดีบุญนาคก็ถึงแก่กรรมเสียก่อนที่จะได้รับพระาชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสุรินทร์พักดีศรีพัฒไทยสมัน ตามตำแหน่งเจ้าเมืองกรมบรมพิชิตปริชากรจิงคงแต่งตั้งพระพิชัยนครบวรวุฒิจรันหลานปู่ของกรยาสุรินทบีเจ้าเมืองคนที่สองให้ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองสุรินทลำดับที่เจ็ดและได้รับพระรชธานบรรณาปัเป็นที่ พระยาสุรินทร์พัฒดีสีประทัยสมันเจ้าเมืองคนนี้ถึงเก็กรรมเมื่อลุงปู่มีอายุประมาณส3 1สาสี่ปีกำลังเข้าสู่วัยรุ่นพอจากนี้พระพิชัยนรงค์พัฒดีบุญจังแต่ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองลำบากับ1ปเป็นที่พระยาสุรินทร์พัฒดีสีประทัยสมันตามตำแหน่งด้วย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 เรื่องที่ท่านเคยแสดงก็มีเรื่องพยาเทศเรื่องรัตนวงเรื่องกันทรกุมารเป็นต้นจำได้ชื่อหนึ่งว่าท่านเคยแสดงเป็นนางชื่อนางรำพาลูกทราบาว่ามีอยู่ในวันคดีเรื่องใดหรือไม่ระหว่างที่แสดงละคร น, นั้น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 เพื่อไปซื้อเครื่องแต่งละครนั่นเองเพราะเป็นตัวนานเอกต้องมาลองเครื่องเลือกเครื่องให้เหมาะเจาะสมตัวเดินทางไปกรุงเทพโดยการขี่ช้างจากอุริงใช้เวลาสีวันสีคืนถึงแค่เมืองโคราพักช้างไว้ที่นั่น แล้วก็ขึ้นรถไฟจากโคราชเข้ามากรุงเทพเนื่องจากขณะนั้นรถไฟมีเดินแค่ระยะกรุงเทพโคราชเท่านั้นเมื่อลงจากรถไฟที่สถานีวลโพงแล้วเห็นกรุงเทพสมัยนั้นไม่ได้มีตึกรามบ้านช่องผู้คนมากมายอะไรจะไปไหนมาไหนเมื่อปวดท้องหนักท้องเบา ก็สามารถแวะเข้าป่าสะแก่ป่าเสือข้างทางได้อย่างสบายน้ำท่าแต่ละลำคลองก็ใสสะอาดดีอาบดืนมได้อย่างสนิทใจเมื่อกลับมาถึงสุรินทแล้วให้รู้สึกเกรย์ยิ้มว่ามีบุญวาสนาไม่เช่น้อยที่ได้ไปถึงและได้เห็นบัง k อกด้วยสายตา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 หลังจากที่คณะละครของท่านเลิกก็คือจบจากการแสดงแล้วก็มีผูภาพคตรีท่านหนึ่งพวดพลาดเข้ามาในห้องทำท่าทางตีสนิทคงคิดจะทอดไมตรีผูกเป็นมิตรสหายกันซึ่งแค่นี้ก็นับว่าแกนกล้ามิได้น้อยเมื่อคิดถึงสภาพสังคมในสมัยนั้นขณะนั้น ท่านนางเอกละครกำลังค่อยๆถอดเครื่องทรงอารมณ์กรออกทีละชิ้นสองชิ้นท่านแพ้ท่านเทียมสุภาพสะตตรีท่านนั้นเมื่อทราบเาท่านเป็นผู้ชายก็อายมากรีบกระโดดลงจากเวทีวิง่งหนีไปอย่างรวดเร็วเหมือนกระต่ายป่านี่สแสดงว่าหลวงปู่ของเราเป็นนักสแสดงชั้นยอดจริงๆ เมื่อแสดงเป็นตัวนางเอกแม้แต่ผู้หญิงแทร่แพรก็ยังหลงเชื่อนึ ก, กว่าเป็นผู้หญิงจริงๆแม้นี้มีส่วนที่ให้เห็นว่าเด็กหนุม่มเด็กสาวสมัยนั้นเขามีจิตสำนึกในอันที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อเสียและระวังในเรื่องระวังเพศเป็นอย่างดีไม่ให้เกิดความมัวหมอง ในชีวิตของหนุ่มสาวของผม น, นี่ฉะนั้นจะต้องถูกดูมิ่งเยียดยามจากสายตาของสังคมหลวงปู่ท่านกล่าวว่าชีวิตวัยหนุ่มของท่านตลอด22ปีบริสุทธิ์ผุดพองไม่เคยพ้องพานแต่ก้องสตรีเพศเลยแม้แต่น้อยปราบเท่าเข้าสู่พรหมจัก ดำรงชีวิตอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งภาคกาสวัสรวดเดียวตลอดชีวิตนี่เป็นชีวิตในประถมะวัยของท่านต่อไปใต้ร่มภาคกาสวัส เมื่อว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไกลๆก็ต้องรู้สึกว่าหน้าเพลิดเพลินและหน้ารุ่มหลงอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะอยู่ในวัยกำลังงามแล้วยังเป็นนักสแสดงที่มีผู้นิยมชม ช, มชอบมากอีกด้วยถึงกระนั้นหลวงปู่ก็มิได้ลหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นเลยตรงกันข้าม ท่านกลับมีอุปนิสัยโน้มเอียงไปทางเนคขมมะคืออยากออกบวชจึงพยายามขออนุญาตจากบิดามารดาและท่านผู้มีพระคุณที่มีเมตตาชุบเลียนแต่ก็ถูกท่านเหล่านั้นขัดขวางเรื่อยมาโดยเฉพาะฝ่ายบิด า, ามารดาไม่อยากให้บวชเนื่องจากขาดกำลังทางบ้าน ไม่มีใครช่วยเป็นกำลังสำคัญในครอบครัวซึ่งท่านเป็นบุตรชายคนโตด้วยแต่ในที่สุดบิดาบานอาบิดามารดาก็ไม่อาจขัดขวางความตั้งใจจริงของท่านได้ต้องอนุญาตให้ท่านบวชได้ตามความปรารถนาที่แน่วแน่ไม่คลอนแคลนของท่านพร้อมกับมีเสียงสัมทัพจากบิดาว่าเมื่อบวชแล้ว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 นี่ได้เพลิดเพลินคึกขนองไปในวัยหนุม่มเหมือนบุคคลอื่นครั้นเมื่อได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเรียบร้อยแล้วอย่างนี้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 นภัจฉิมาวัดชุมพลสุภาวาในเมืองสุรินโดยมีพระครูวิมลศิลพท์ทองเป็นพระอุปชาพระครูบึกเป็นพระธรรมวาจาจารยร์พระครูฤทธเป็นพระอนุสาวนาจารยร์ นวักกพิสุขผู้กระหายธรรมเมื่อแรกบวดก็ได้ไปปฏิบัติกรรมฐานกับหลวงพ่อแอดวัดคอโคซึ่งอยู่ชาญเมืองสุรินวิีการเจริญกรรมฐานในสมัยนั้นก็ไม่มีวิธีอะไรมากมายนะัก วิชาที่หลวงพ่อแอดสอนในสมัยนั้นคือจุดเทียนขึ้นมาห้าเร่นแล้วนั่งบริกรรมว่าขออัญเชิญปิติทั้งห้าจงมาหาเราดังนี้เท่านั้นแต่หลวงปู่หลวงปู่ดุลก็ได้ทาเพียนปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยความมิรยาอุสาหะอย่างแรงกล้า พ ย, ยายามบริกรรมเรื่อยมาจนครบไกลมากโดยไม่ลดละแต่ก็ไม่ปรากฏเห็นผลอันใดแม้แต่เล็กน้อยนอกจากนี้ได้ฝึกผลทรมานร่างกายเพื่อเผาผลาญจิเรสด้วยความเข้มงวดกวดขันการขบฉันอาหารวันก่อนเคยฉันเจ็ดคำก็ลดเหลือหกคำ แล้วลดลงไปอีกตามลำบักจนกระทั่งร่างกายสู้พร้อมโตเซสู้ไม่ไหวจึงหันมาฉั่งอาหารตามเดิมระยะนั้นก็ไม่เคยท้อถอยสู้บำเพ็ญภาวนาไปเรื่อยๆตามที่ท่านอาจารย์อบรมสั่งสอนนอกจากนี้ก็ใช้เวลาที่เหลือ ท่องบนเจ็ดตำมานบ้างสิบของตำมานบ้างแต่ไม่ได้ศึกษาพระวินัยเลยเรื่องวินัยที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติขับกล่าวกายวาจาเพื่อเป็นรากฐานของสมาธิภาวนานั้นท่านไม่ทัาบมีหน้ำซ้ำระหว่างที่อยู่วัดดังกล่าวพระในวัดนั้น ยังใช้ท่านสร้างเกวียนและเลี้ยงโคอีกด้วยท่านจึงเกิดความสลดสังเวชและเบื่อหน่ายเป็นกำลังแต่ก็อยู่มาจนกระทั่งได้ถึงห0 0 0ฝปาเมื่อได้ทราบข่าวาที่จังหวัดอุบลราชธานีมีการเรียนการสอนพระปริยติธรรมก็เกิดความยินดีเป็นล้นพ้น รีบก็ไปขออนุญาตท่านพระครูวิมลติลพฤษผู้ประชาติตาการเพื่อไปศึกษาแต่ก็ถูกคัดค้านกลับมาท่านไม่ได้ลดละความพยายามไปขออยู่เรื่อยๆจนกระทั่งครูประชาเห็นว่าท่านมีความตั้งใจจริงจึงอนุญาตให้ไปโดยมีครูคง และครูดิ๊กไปเป็นเพื่อนนักธรรม้งตรีเมื่อแรกไปถึงจังหวัดอุบล น, นั้นเขาไม่รับท่านในธรรมักอยู่ที่วัด ทำมาหยุดได้เพราะต่างนิกายกันกคือท่านบวชมหานิกายแม้จะอนุมัติให้เข้าเรียนได้ก็ตามดังนั้นท่านจึงต้องไปอยู่วัดหลวงถึงการบินธบาทเป็นไปได้ยากเจรินพอดีหลวงพี่มนัตซึ่งเดินทางไปเรียนก่อนได้แวะไปเยี่ยม ทราบความเข้าจินพาท่านไปฝากอยู่อาศัยพร้อมทั้งศึกษาพระปริยติธรรมไปด้วยที่วัดสุทัศนารามแต่เนื่องจากวัดนี้เป็นวัดฝ่ายธรรมยุทธออ์จึงไม่อาจให้ท่านอยู่ที่วัดได้อีกลยด้วยเหตุผลที่นากางว่าไม่ได้รังเกียจ แต่เกรงจะเกิดผลกระทบกับความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารการคณะสงฆ์ของนิกายทั้งสองอย่างไรก็ดีื่องเมตตาธรรมทางวัดสุทรรัศน์ได้แสดงความเอื้อเฟือ้อด้วยวิธีการอันแยกทายโดยรับให้ท่านภรรมะอยู่ได้ในฐานะพระอคันตุกกะผู้ม่ยื้เยีย แต่อยู่นานหน่อยความเป็นอยู่ของท่านจิงค่อดกระเตื่องขึ้นคือเป็นไปได้สะดวกบ้างท่านได้มุมาณะพยายามศึกษาเล่าเรียนอภิญติธรรมยังเต็มสติกำรจนกระทั่งประสบผลสาเร็จคือสามารถสอบไล่ได้ประกาศนิยบัตรนักธรรมชั้นตรีนวะกกภูม เป็นรุ่มแรกของจังหวัดอุบลราชาธานีและยังได้เรียนบาลีวยากรจนสามารถแปลพระธรรมบทได้นับว่าทันได้บรรลุปณิธานที่ได้สร้างไว้ในการจากบ้านเกิดเมืองนอนไปศึกษาต่อณนะส่างแดนแล้วที่กล่าวเช่นนี้เพราะการกำนันกรมรหวางสุรินอุบล ในสมัยนั้นเป็นไปโดยยากจนนับได้ว่าเป็นส่างแดนจริงๆทีเดียว ย, ายาอย่างยิ่งที่จะยัตติจากนิกายเดิมมาเป็นธรรมยุติกนิกายแต่ทางคณะสงธรรมยุตโดยเฉพาะพระธรรมปาโมกติดโสอ้วนเจ้าคณะมณฑลในขณะนั้นจึงเป็นพระเถระเั้นผู้ใหญ่พระมักบริหารผู้มีสายตาไกลและมี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 เมื่อท่านกลับไปสุรินท่านก็จะต้องอยู่โดดเดี่ยวเนื่องจากในสมัยนั้นยังไม่มีวัดฝ่ายธรรมยุทธ์ที่จังหวัดสุรินเลยแต่ตามความตั้งใจของท่านเองนั้นท่านนี้ได้มีความประสงค์จะกลับไปสอนพระประิยตะิธรรมท่านจึงได้พยายามขอยัติติต่อไปอีก ต่อมาซึ่งจะนับว่าเป็นโชคของท่านก็ว่าได้เพราะถ้ามีโอกาสได้คุ้นเคยกับท่านอาจารย์สิงห์ทันใจยาขโมุกซึ่งรับราชการครูทั้งที่ยังเป็นพระสงฆ์อยู่ในขณะนั้นที่วัดสุทัศน์จังหวัดอุบลท่านอาจารย์สิงห์ชอบปัทญยาสายไมตรีของหลวงปู่ดุล และเห็นปฏิปทาในการศึกษาเล่าเรียนพร้อมทั้งการประพฤติปฏิบัติกิตในพระศาสนาของท่านว่าเป็นประด้วความปั้งใจจริงท่านอาจารย์สิงห์จึงได้ช่วยเหลือท่านในการขอยัดติดจนกระทั่งประสบผลสำเร็จดังนั้นในปี2461 ขณะเมื่ออายุสิเอปีท่านจึงได้ยัติจากนิกายเดิมมาอุปสมบทเป็นพระภิสุในธรรมยุตสนิกายนพัจฉิมาวัตสุทัตจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระมหารัฐเป็นพระอุปชาพระศาสนาดิรกเจ้าคณะมนฑลอุดรเป็นพระกรรมวาจาจารย์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 เป็นแต่เพียงการจำหัวข้อธรรมะได้เท่านั้นส่วนการปฏิบัติให้ได้ผลและได้รู้รสพระธรรมอย่างทราบซึ่งนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากท่านจึงบังเกิดความเบื่อนหน่ายและท้อถอยในการเรียนพระปริยติธรรมและมีความสนใจโน้มเอียงไปในทางปฏิบัติธรรม ทางทุดงกรมธฐานยังแน่วแนว่นับว่าเป็นบุญยราพของหลวงปู่ดุลย์อย่างประเสริฐที่ในพันษานั่นเองท่านพระอาจารย์มัน่นคูริธัตะเถระพระประมาจานผู้หญิงใจยฝ่ายอรัญวาสีได้เดินทางกลับจากทุดงกรมธฐานมาพรนักจำพันษาอยู่ที่วัดบุรพา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 ของท่นอาจารย์มั่นที่งดงามน้าเรื่องสายทุกปีรยาบทอีกด้วยทำให้เกิดความซาบซึ้งถึงใจคำพูดแต่ละคำมีในแปลก ด, ดีไม่เคยได้ยินได้ฟังมา ก, ก่อนจึงเพิ่มความสนใจใคร่ประพฤตปฏิบัติทางทุดงกรรมาฐานมากยิ่งขึ้นทุกที ออกธุดงครั้งแรกครั้งออกพรนษาแล้วท่านอาจารย์มั่นได้ออกธุดงอีกพิสุสองสาหายคือพระอาจารย์สิงหขันตยาคโมกับลุงปู ด, ดุลอตุโล จึงตัดสินใจสละละทิ้งการสอนการเรียนออกธุดงติดตามพระปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ไปทุกแห่งจนตลอดฤดู ก, การนอกพรรษานั้นตามธรรมเนียมธุดงกรรมฐานของพระอาจารย์มั่นมีอยู่ว่าเมื่อถึงการเข้าพรรษาไม่ให้จำพรรษารวมกันมากเกินไป ให้แยกกันไปจำพรรษาตามสถานที่อันวิเวกเมื่อวัดจะเป็นวัดเป็นป่าเป็นถ้าเป็นเขาโคนไม้ป่าชา้าลอมวางเรือนว่างหรืออะไรตามอัธยาศัยของแต่ละบุคคลแต่ละธรรมะเมื่อออกพรรษาแล้วหากทราบข่าวว่าพระอาจารย์มั่นอยู่ณที่ใดก็พากันไปจากทุกทิศทุกทาง มุ่งไปยังณที่นั้นเพื่อเรียนพระกรมฐานและเล่าแจ้งถึงผลการประพฤติธปฏิบัติที่ผ่านมาเมื่อมีอันายผิดท่านประมาจา์จะได้ช่วยแนะนำแก้ไขอันายถูกต้องดีแล้วท่านจะได้แนะนำข้อกรรมฐานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปดังนั้น เมื่อจวนจะถึงการเข้าบุริมพันษาคือพันษาแรกแห่งการทุดงของท่านคณะของหลวงปู่ดุลจินพากันแยกจากท่านพระอาจารย์มั่นเดินทุดงผ่านไปทางอำเภอภาคคันโทจังหวัดกาลสิงห์ครั้นถึงฝ่าภาคคันโท ขอสมมติทำเป็นสมักวัดป่าเข้าพรรษาด้วยกันห้ารูปคือท่านพระอาจารย์สิงห์ขันยาธโมท่านพระอาจารย์บุญท่านพระอาจารย์ศรีทาท่านพระอาจารย์หนูและท่านพระอาจารย์ดุลอตุโลโคือตัวหลวงปู่เอง คือ ท, ทุกองนั้นได้ปฏิบัติตนปรารบความเพียรอย่างอุกฤตแปงกล้า